เริ่มแจกต้นผ้าป่าการที่ผมกับหมู่คณะออกไปตะลุยช่วยแจกต้นพ้าป่ากันหลายจังหวัดมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณบรรยงเขาเป็นคนพาผมไปแจกต้นพ้าป่าโดยอาศัยรถผมเขาไม่มีรถจากตรงนั้นก็กลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อให้ผม ช่งนั้นผมเพิ่งออกรถมาได้ประมาณปีกว่ า, ก, วาก็เอาเข้ามาช่วยงานโครงการช่วยชาติของหลวงตาเลยทั้งที่ตอนนั้นครอบครัวยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้ค้าขายไม่มีรายได้อะไรทีแรกก็ไม่คิดจะมาทำแต่ท่านอาจารย์น้อยบอกเยโฮเอารถไปช่วยประกาศหน่อยที่ขอนแก่นเขานิมนต์หลวงตาไปเทศและรับต้นทับป่าผมก็เลยเอารถออกไปวิ่งประกาศมันก็ใกล้ๆผมไปไกลไม่ได้เพราะไม่มีสตางค์ น้ำมันก็ขอเอาจากบ้านตาดเช้ามาผมก็วิ่งรถประชาสัมพันธ์ไปตามที่ต่างๆมีเฮียอองตอนนี้เป็นโคศกใหญ่โด่งดังในอุดรและเขียวซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอาบาตอบ้านโนนสะอาดมาช่วยกันออกไปประกาศตอนนี้ทุกคนก็ได้ดีกันไปหมดแล้วซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่ต่อมาผมก็ไปอธิษฐานที่หน้าพระประธานบนศาลาในวัดป่าบ้านตาดตั้งปณิธานว่าผมจะช่วยโครงการช่วยชาติของหลวงตาจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และตอนแรกหลวงตาบอกจะเอาทองคำเข้าคลังหลวงสี่ตันผมก็คิดว่าคงไม่หนักหนามากคงพอไหวยุทธศาสตร์เด็ดบุกผู้ใหญ่บ้านก่อนคุณบรรยงเป็นหัวหน้าทีมทําต้นภาพปา่าครั้งแรกๆเราก็ไปแจกตามบริษัทและร้านค้าใหญ่ๆและตามลูกศิษย์หลวงตา ตอนนั้นผมไปแจกกับคุณบรรยงที่จังหวัดนครราชสีมาต่อมาผมมาพิจารณาว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะได้บุญได้กุศลเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสตางค์ในแต่ละจังหวัดเท่านั้นเราควรจะแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆให้ถึงชาวบ้านคนยากคนจนให้เขาได้มีโอกาสทำบุญกับหลวงตาทำบุญกับแผ่นดินเกิดของตัวเองโครงการช่วยชาติควรจะเป็นของทุกคนจากโคราชเราก็ไปขอนแก่น หลวงตาไปขอนแก่นหลายครั้งขณะที่อยู่ที่สวนจตุจักรขอนแก่นครั้งแรกผมก็เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าพวกเราก็มีรถกันอยู่หลายคันมีคณะของครูตุย๋ยของพ่อวินพ่อพรมและอีกหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูนน่แนนเป็นคณะใหญ่หลายคณะก็เลยได้ขอความร่วมมือท่านก็เอารถมาช่วยตกลงกันว่าจะลองแจกไปตามกำนันผู้ใหญ่บ้านดูเข้าไปให้ทุกหมู่บ้านเลย ก็แยกย้ายขับรถพากันเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆไปขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านส่วนมากเขาก็ให้ความสนใจดีแต่ก็มีบางที่ที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับต้นพับป่าเราก็พยายามชี้แจงเอาเหตุเอาผลพูดให้เขาฟังต้นพัป่าต้นนี้ถึงแม้ว่าจะได้มาแค่สิบาทยี่สิบาทก็ไม่เป็นไรผมขอคนละสลึงก็ได้ผมอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำให้คนจนได้มีโอกาสทำบุญกับแผ่นดินเกิดของตัวเอง แล้ววันที่หลวงตามาเทศมารับต้นผ้าป่าถ้าผู้ใหญ่ไปกันไม่ได้จริงๆก็ฝากผู้ใหญ่บ้านข้างเคียงไปก็ได้หรือไม่ก็เอาไปให้ที่อำเภอก็ได้แต่ห้ามคนอื่นมารับเด็ดขาดนี่คือโอกาสที่เราทุกคนจะได้ตอบแทนคุณแผ่นดินแผ่นดินไทยกําลังเดือดร้อนและทำไมผู้ใหญ่ไม่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทําบุญด้วยกันจะคนละสลึงคนละบาทตามแต่เขาจะทําผมไม่เรียกร้องแล้วก็เอาไปถวายหลวงตาท่านกันเอง วันนั้นผู้ใหญ่และทุกคนจะได้ไปกราบและถวายต้นพะป่ากับพระอระหันต์ด้วยมือตัวเองเลยเพราะอย่างเนี้ยแหละเราจึงเลยอยากให้ผู้ใหญ่รับต้นพะป่านี้เอาไว้เราช่วยกันอธิบายตกลงก็รับกันไว้หลายหมู่บ้านเราทํากันอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ตระเวนไปได้สัก20กว่าหมู่บ้านก็ร า, ราวๆยี่0สนี่แหละแล้วพวกเราวิ่งรถกันหูดับตับไหมไม่ใช่ว่าค่อยๆขับไปนะมันต้องเหยียบไปเต็มที่ไปถึงปับ๊บจอดลงไปพวด ไปหาบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่พบผู้ใหญ่ก็คุยกับเมียผู้ใหญ่หรือไม่ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปคุยเพื่อให้เขารับต้นพระป่าไว้ให้ได้เพราะเราคิดแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนจริงๆมันไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วที่จะได้ทำบุญใหญ่กันแบบนี้ก็แจกกันจนเสร็จพอถึงวันหลวงตามาเทศ พ, พวกเราก็ไปรอดูกันอยากดูผลงานที่เราทาศรัทธาที่เขารับไว้เขาจะมาบ้างไหม ปรากฏว่าวันนั้นต้นผ้าป่ามาเยอะมากทำให้เราเกิดความตื่นเต้นดีใจก็เกิดเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา